เราจะลี้ควายเราต้องมีสิ่งตในการจูงควายนะควายในที่นี้มีสองความหมายหนึ่งวิติทางกายภาพคือควายจริงหแสงเป็นสติลิชเช่บัคซันโลควายในทางทีในการจูงควายนั้นหนึ่งควาย บ, บางตัวถ้าเราเดินจูงเชือกไปข้างหน้ามันเดินตามควายบางตัวถ้าเราเดินจูงเชือกไปข้างหน้ามันไม่ชอบมันจะดึงเราต้องเดินข้างหลังเราให้เขาเดินไปเขาเองนะ แล้วควบางตัวเดินไปขางไม่ชอบโดยู่ข้างหลังไม่ชอบอะไรต้องขึ้นนั่งหลังความันต้องมีสักทางหนึ่งที่จะพาควายแต่นั่งเตถือเตงไห้อยแต่การไปทําเช่นนี้ได้มันยากมากเพราะอะไรเพราะควายทุกตัวก็มีความคิดเป็นของตัวเองอันการมีความคิดเป็นของตัวเองนั้นแหละคือปัญหาของการศึกษาทำนนีะ้ใช่ไหมโอ้โหทางสายเ อ, ดอกดรสนองฉันอ่าน สามรอบในมุทธินะของอาจารย์ประโมทอ่านด้วยเลนเสียงให้ ด, ด, ด, ด้วยไม่เห็นเราไม่เอ <c oughs> <c oughs> ียงตกวชี้ๆที่จะทำอะไรนิดเดี่วเลยแต่เวลาเจอความเกล่ยความเกลีลยดอฉีดฉาดใส่เรานนี่ยเซไยทุกทีเห็นไหมนี่คือคือคนกึงดนะีกึงดีนิกอันตรายนะและอีกต่อไปหนึ่ง คือเงี้ยดักดาเนเงี้ยดักดานนี่ว่าไม่ออกไม่กันนาะฉะนั้นเราอย่าเป็นคนประเภทิอติบันเด็จคือฉลาดเกินไปจนตองใครไม่ได้ก็อย่าเป็นคนกึน่งดึกกึ่งดีที่รู้เรื่อ ง, องอยกเว้นใจตัวเองไม่รู้แล้วก็เงี้ยดักดานสารพจน์นี้ในลักัธยมศึษามันจะมีปัญหามากเห็นไหมฉลาดเกินไป ก็ไม่หมาะที่จะศึกสาธรรมะเช่นพระเทาาวทัพเดิกเขามาก็ไปตั้งจนเป็นอริกับพระพุทธเจ้าแยกไปตั้งพักเองพระสารีบุตรตอนนี้มันกลับมาทําตัวเป็นซสื้อข้อการ <c oughs> กว่าจะนีมันกลับมาได้นะพระสารีบุตรกับพระพุคลานาต้องใช้เวลาเทีอยู่ทั้งคืนพระเทวทัพก็แยกไปตั้งพักเปลี่ยนแบบทุกอย่างที่พระพุทธเจ้าเคยทําคือตั้งสาวกสองคนเวลาแสดงธรรมแสดงเหมือนพุทธเจ้าทุกอย่าง แม้แต่จะนอนก็นอนเหมือนพระพุทธเจ้าสิ่งหนึ่งซึ่งเหมือนพระพุทธเจ้าคือไม่มีธรรมะเหมือนพระพุทธเจ้าเห็นไหมนี่คืออติบัณฑ์ไปบว่อยู่ในสังกักพระพุทธเจ้าแต่คิดว่าพระพุทธเจ้าก็เจ้าชายฉันก็เจ้าชายมันจะสักเท่าไหร่ช่านเป็นพระพุทธเจ้าได้ฉันก็เป็นได้ท่านก็เจอผีคิดว่าการเป็นพระพุทธเจ้านั้นเป็นตำแหน่งทางการเมืองใช่ไหม คนเราไม่ได้เป็นพระพทธเจ้าจัดการลงประชามติเป็นจากการบ่งปันเพนบารมีฉะนั้นพระเทวทัตคือตัวอย่างของอติบัณฑิตที่ไปอยู่กับพระพุทธเจ้าสุดท้ายเกือบไม่ได้อะไรเห็นไหมยกุญเดือบุญดีก็มีก็พระชำแนะที่ไปอยู่กับพระพุทธเจ้าพอพระริ่มอยู่มาบวชพระชำแนะก็บวชตามวันนั้นทาอะไรนื่องอยู่หน้าวัด เขาชี้ว่าวันนั้นใครมาเฝ้าวันหนึ่งในพระฤษาษีศาารย์เชิดใหญ่เข้ามาเฝ้าก็เห็นนั่งอยู่ในสำนักพระพุทธเจ้าเรียบร้อยหอมจีวรเรียบใพระผู้ใหญ่ก็กราบพระจอมนะก็รับกราบพระผู้ใหญ่ถามว่าท่านกี่รรษาอาตมายังนมาเดิ น, เดนสักภรษาหรอกเอ้าไม่ได้สักราษาแล้วท่านมานั่งรอพระผู้ใหญ่อย่างพวกเรากราบได้ไงพวกท่านรู้ไหม ผมลูกใครลูกนักกรรเมือ ง, งไทยสงสัยด้ไมนน่ใส่ตรงนี้นะผมฉันนี้คนจีนนี้กัน้วยกะให้มมนกูดดัยจะโก น, นสีตัดออกนุ้ยเส้นแบบนี้คือพระพุทธเจ้าด้วยความเคารพเพวกท่านม า, าลังกันทุกข์อาโอ้ขนาดนี้นะ สุดท้ายอยู่กับพระพุทธเจ้าจนนิพพานพระพุทธเจ้าสงสารชนะมากนะวางาเงื่อนไขไว้ให้ข้อหนึ่งว่าอานุนหลังเราตถาคตนิพพานสจงจนลงพนมธรรมเกฉันนะอย่าคบหานสมาคมกับเธอเธออยากพูดพูดอย่าทาทำอยาาดูทีมีดูปล่อยไปสุดท้ายเป็นไงไงโอท้พระพรมพระดำริสดพระนนะ มีแต่ตัวแต่ไม่มีหัวเพราะไม่มีพระฤาษีไหนมองเห็นท่านเป็นคนหัวขาดเห็นไหรือยังทุกเม่ไปถามพระนรินทร์ท่านนรินทร์ทำไมไ่มีใครคุยกับผมเลยผมทุกพระนัินก็บอกว่าฉันนะรพระพุทดองสงสารเธอมากก่อนจะประนิพานสาร้างให้สงลงพรหมทานแก่ท่านฉะนั้นไม่ต้องแปลกใจหรอกทรทั้งปวงจะไม่คบหากับท่านพระฉันนะ เนลมสามครั้งเห็นไหมมันรูน้สึกเจ็บปวดที่สุดนะจากการที่อัตตาไม่ได้รับการผ่อนอจึงไหสองท่านี้พรรธะาทะเลาะกันบ่งเบงเบ่งบ่งตบตะกันเลือด ก, กระฉุดรับได้เขายังรักเราอยู่แต่ถ้าวันไหนทะเลาะกันบ่งเบ่งเบ่งเบงสามีจะตบเพ้แต่ว่าเอามือค้างแล้วตรงนีน้และงานกับสามพันธะญาติจะเจ็บที่สุดเพราะอะไร พรรยาจะคิดว่าเราไม่มีความหมายแม้จะรองรับมือของเขานะเจ็บนะเจ็บนะเมื่อเราก็ตามที่ตัวก้จะได้รับการยกย่องมนุษย์จะทุกที่สุดพระฉันนะเป็นลงสามครั้งฟื้นตัวขึ้นมาไปบอกพระนอนว่าท่านานวสงเคราะห์ผมจะผมหลงผิดไป ยกเลิกธรร ม, มาทานผมจะกลับตัวพระนรก็บอกว่าถ้าท่านตั้งใจจะกลับตัวใหม่นะผมจะคุยการส่งทั้งตัวให้จะยกเลิกธรร ม, มาทานฉันะนะตั้ ง, งจิตตั้งใจปฏิบัติธรรมไม่ถึาหนึ่เดืนนะเป็นพระอระหันต์เห็นไนหะคนที่เลวกับคนที่เป็นพระอระหันต์คนคนเดียวกันแต่ในเวลาไม่อยู่กับพระพุทธเจ้าท่าน ไ, ไม่ได้รับพระธรรม อะไรมันติดบังอยูท่ทั้งทั้งที่ศั ก, กยภาพที่จะเป็นพระอรหันต์ก็สว่างโพลงอยู่แล้วในจิตของท่านอะไรมันบงังอัตตาอัตตาคือความคิดว่าฉันเก่งฉันแน่ฉันอ่ะข้าเก่าเต่ร์ลฉันอ่ะจงม้ออกบวชฉันอ่ะเพื่อนล่นฉันอ่ะสหาชาติ ว่าสรีดเด็พระอโลกคันลาเด็กเมื่อวนันเสาร์ฮารีแม้ว่าเด็กเมื่อวนันเสาร์บรรลุธร ร, รมโางหน้าเป็นนานแล้ว Years. นี่เนะหมตอพอทิศอตาไม่ถึงหนึ่งเดือนบรรลุธ ร, รรมเป็นพระอรหันตธ ร, รรมทีเห็นไหมคนเกลืนเด็กเือด้วยอย่างนี้ถ้าขาดกลานนัลยาณมุตชีวิตจะเป็นมันนะถึงแม้มีศักยภาพที่จะบรรลุธรรมขั้นสูงแต่พอไม่มีกลนนัลยาณมุตชีวิตก็เป็นมัน แต่พอได้พบกับเรื่องนันนี้ปุ๊บไม่ทันเดือนบันโลธทรมเห็นไหมอีกประเภทหนึ่งประเภทง่วดักดานง่วดักแดนหมายความว่ายังไงก็เหมือนความวางัวแบบไม่มีเหตุผลคือเราชีวิตเกิดมาไม่ต้องการอะไรมากกินดื่มเสพพัน์หลับขอแค่นี้นตกไม่ต้งไปเพราะอะไร เราไม่ได้รับกวนพระเงนเดิอนเราก็มีดีฉันยังมีอยู่ธุรกิจฉันกนน็พอตัวไม่อยากเรื่อกับพระเห็นูหมว่าบางไม่ได้หมายความว่าพูดจาไม่รู้เรื่องนะแต่หมายความว่าทั้งชีวิตไม่เห็นคุณค่าของธรรมะไม่เอาเลยไม่เห็นคุณค่าเลยเพราะคิดว่าสิ่งที่็นมีอยู่ในสภาพแบบปุถุชนนี้พอแล้ว บ้านมีรถมีพันธุญามีลูกมีเงินเดือนมีทรัพย์สินสมบัติมีชื่อเสียงมีอยากไปต่างประเทศฉันก็ได้ไปอะไรก็ไม่กระหนาดฉันจะต้องไปวัดได้ชีวิตนี้ไปสองครั้งอะวัดหนึ่งไปถอเพื่อนสองแม่เพื่อนหามไปเผา <c oughs> เห็นไม้มเมื่องดั้งเดิมคือประเทศนี้เมื่องดั้งเดิมไม่ได้หมายความว่าเกิดมาแล้วสมองมันเตื้อแต่หมายความว่าสมองมันดีแต่ว่า สมองส่วนที่จะเห็นคุณค่าของธรร ม, ไมนมันไม่ทํางานมันไม่อย่างนี้มันมีเยอะแยะไปหมดเลยถ้าระบุชื่อในอาตมาก็จะถูกสอนทรรมนั้นเองด <ś led> ฉะนั้นก็ก็อย่าไประบุชื่อเลยนะอ่าอย่าไประบุชื่อเห็นได้จ <s> ากว่า <s> พออาตมาไปแสดงธรรมที่ที่มริกาต้นปีนี้ฝ่ายหนุ่มพรนรยาที่มาปฏิบัติธรรมละจิตขเขารวม ไม่รู้วาเป็นแต่ชาติต่างไหนพอจิตรวนตันปุ๊บอาตมาคิดว่าของเก่าเขาดีนะเกิดความสว่างพรองเขารู้สึกไม่ดีกับสามีรู้สึกไม่ดีกับพระพู้ดูถูกพระเขาไม่เห็นว่าการ น, นัน่งหลับหัวหมันจะช่วยอะไรแคลนก็าามาหาอาตมาอาตมาก็บอกโยมอาตมานี่เป็นพระป่านะไม่เน้นการพูด จริงๆมีสองเหตุผลหนึ่งเป็นภระป่ า, าจริงๆและเพราะว่าอาตมาก็มีอาสมอยู่ที่เชีงรายห้าสิบราทํามาห้าปีละก็สัวันหนึ่งก็คงจะขึ้นไปใช้ชีวิตอยู่ที่นู่ น, นเพื่อเผยแพ่พุทธศาสนาเชิงลึกอันสองอาตมาภาษาอังกฤษไม่ดีเลยแบบไม่เหมือนการพูดมากอยากให้ทำเยอะ ก็นีแ่งไม่เหน็นแม่งจ้าอะไรแต่มาทำไขอโทษทำไยก็มาดูแต่คำอภัยไม่ใจเออใช่ไหมใช่ไหมจับได้เป็นบางคำก็โอเคเลยมาไมอาัยแล้ ว, ล ว, วลลก็มาขอสินจักมางำามต้องบอกไม่ต้องขอถ้ายังมีสติสียนี้ก็อยู่ที่อยงแล้วยังเป็นจาวพุทอโดยไม่หมาเรียบร้อยแล้วไม่ต้องขอ การที่จะมามาจากเมืองไทยมาสอกนกรรมฐานที่ท่าแสดงว่าตะมาพร้อมแล้วที่จะมาให้เต็มที่เพราะฉะนั้นคนเ ย, ตาตาย็นที่สุดตาจะงาจะมาให้แล้วจะต้องขอให้เย็นอะไรไนมะ่ได้้ไม่อยากจะทำเรื่อมนะในใจนี้มือหลอกใช่ไหมก็ได้เห็นนะพอได้เห็นแล้วเป็นยังไงเ้ื่เย็นกลุ่มนี้ก็ตั้งจมงรมปฏิบัติธรรมตอนนี้ที่สรีระในมีจมรมปฏิบัติธรรม ซีดีของบรรตานาเนี่ยบางเรื่องหาบางแทนไม่ได้ไปหาเจอที่เซนเทมเพราะอะไรเราตั้งกลุ่มขึ้นมาแล้วทายังไงเขาสามารถอัดรายการธรรมะของเราบรามาเตืนจากโจเทมทุกเช้านะทุกเช้าเลยตามาออกในเอเอสทีจันทุกสุกรายการรอยทังรากฏว่าทางนี้อัดตรอทุกเมื่อเลยบางเรื่องก็บีบดีอยากให้เผแพ่แต่บางเรื่องอยากเจ็บอะไรเขาก็เผแพ่ เมื่อหลังคนแรกผมได้พับการตานาที่ชิโนะฮอบอกว่าท่านอาจารย์ครับผมนะอยากไป็นช่วงงานท่านอาจารย์ผมอยากทำซับไตเติลให้พระอาจารย์เพราะเวลาผมดูโทรทัศน์กับพันธยาผมนะเวลาคนไทยขำผมต้องรอให้พันยาแปลแล้วถึงจะได้ขำ <laughs> <laughs> อยากขำพร้อมกัน <laughs> <laughs> แร้อนมะ อีกคนหนึ่เป็นเด็กเนี่ยเรียนอยู่ที่ UCLA เฟเอฟังมาษาไทยไม่รู้เรื่องแต่เป็นรายการธรรมะของอาตารย์นพาดมากนะแม่ก็แม่ก็เป็นหมอนิดนินครเขาครัวข้าหลังทงั้ทโงโค้ชแ่ราการของท่านเยอะมากเลย ท, ท, ทั้งรัตบุญวชิรนาฏในทีเนี่ยที่เมื่อนเขาจะเรียกว่ามาสเตอร์ยเห็นะฮะไหไปยืนลต่เราต้อ <laughs> ตต อ, <laughs> อินโรเยเออพัเดังเครื่องตุ๊บเลยกู คนไหนท่านพุดธดีฮะอาตมาก็อร่อวพุธดีคือคือเชื่อได้ทางมันยามว่าพระมหาวุทธชัยและจิระเมธีฝลังออกเสียงลำดามาันเล้นพันกันไปหมด ก, ก, มก็กระเด็นไปพุทธดีลูกสาวเขาชอบรายการนี้มากเพ่าไอะไรทุกเช้าเขาได้เห็นฟังไม่รู้เรื่องแต่ทําใจชอบรู้ว่าพระอาจารย์มีความสุขแน่ๆเพราะอะไรเห็นท่านพุทไปยิ้ง เขาก็มีกำลังใจเขามีกำลังใจแม่เขาก็จะบอกว่าโลกตรงนี้เดินเฟมัสมองอินทยแลนด์บางครั้งคนไทยก็เร้่มทำวัาดุเส่ิมมองถ้า <laughs> <laughs> ท่านกำลังขายแล้วบบเดียวกันาง้ก็บอกว่า <laughs> ถ้าทาน้ำบางแต่ก็เดิได้ฉายาเด็นที่มันน่อนั้งนะวันนี้เราทำด้วบยาเพื่ออะไรเพื่อที่จะบอกว่าถ้าคุณเป็นคนไทยแล้วควรเห็นอย่างนี้ธรรมะโปรดรับรู้เอาไว้ด้วย ต่อไปเลืองหลานของคุณทุกคนต้องไปเทคคอซื้อตสม า, ากับมาถามที่หนงอ ง, งนอตสมาเจอกับตัวมาแล้วตอนนี้ตม า, นานเป็นผู้ศึษาวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาคนหนึ่งจบเรดที่กีฬจบโทที่ฮาวัตแล้วก็จากฮาบัตประธานประเที่ญี่ปุ่นการเดินที่ปปานานจะทำทีจิจะ ก, ก็คือสัมติภาพในญี่ปุ่น บนพื้นฐานของวิปัสสนากรรมฐานลูกจิษย์นนี้เข้าไป Search ในอินเทอร์เ น, น็ตตะมีเนื้อเรไซต์เกี่ยวกับวิปัสสนาสมาธินะว่ากันว่าเกือบแสนเ็บไซ 90% เขียนโดยฝรั่งเห็นนะเห็นไหมว่าถ้าเราไม่เห็นของดีที่มีอยู่เ่องหลังของพวกเรานี้ต้องไปเทคคอร์สที่อเมริกา ทำไมต้องทำอย่างนัเพราะว่าท่านทานฝรั่งเวลาเขาศึกษาเรือ่องไหนเขาจะทำอย่างเป็นระบบเขาจะทำอย่างดีมากๆเลยนะเขาที่อยู่เมืองไทยไมั่วๆพระไปสอนศรั่งระวังให้เด็ดเขาไม่มันะ่วเขาจริงเลยนะอนนนาจารย์ไปถึงนี่เขไม่ถามเลยวนะ่าทำท่าทานกับพระกับทาทา น, นกับสัตว์อันไหนได้ดุเด้นะตั้งแต่หาร์ดเป็นถึง U C L A ตั้งมาไปไม่หมด ไม่มีคำถามระดับถามและสินเลยถามเรื่องเราจะคทนความสงบที่แท้จริงได้อย่างไรท่านอาจารย์ครับบ้านที่แท้จริงคืออะไรท่านอาจารย์ครับสันติที่แท้จริงคืออะไรท่านอาจารย์ครับ mindfulness คืออะไรที่ดูที่แต่ละคำถามที่เขาถามอะมันเป็นคำถามที่เรียกว่าข้ามในระดับบุนไปหมดเลยนะเขาเอาเจริง มนไงเมื่อแต่เมื่พระคุณธรรมนักศึกษาปรเมียโทที่ธรรมศาสตร์นะอาจารย์บอกว่าลูกสมุรนะลูกนะพระจันทร์ตัวนี้มันพระเกจิรูปหนึ่งนั่งด้านตะวันออกของสนามหลวงพร้อมกับเครื่องรางเน่ยสิบสิบกระสอบนะสองนิมนพระวิปัสนาจารย์รูปหนึ่งสองธรรมะแท้ๆนะลูกนะนั่ง่ั่งตะวันตก นักเตะไทยทำทให้คนไปสนามหรอยังว่าคนไทยจะไปหาใครเห็นไหนี่มันคือตำแเนินสายของคนไทยเราแตได้แค่นั้นจริงๆฉนั้นท่านอยากเป็นคนไทยฝั่งตะวันออกหรือตะวันตก้ทางตนี้คือทาอะไรเอาจีนมาเทียบได้ไหมฝั่งตะวันออก็คือรวบรวมคำคะได้กลางของกลางมา เก็ขอให้ท่านช่วยเงี้ไม่จะไปชื่ออะไรใช่ไหมจะไปช่วยอะไรตอนก่อนมาตั้มาไปภาคใต้มีโยมคนไหนามาหาตั้มาบอกว่าเป็นแฟนรายการท่านชอบท่านมันใหญ่มากแตไหนท่านก็มาแล้วท่วานก็เอาเอาเอาจัตุค้ามไปอ่ตัมาเรื่อมาถึงเรืเ่องเรื่องแรกทั้งหด เริ่มแรกทั้งหมดเพราะฉะนั้นคิดเป็นเงินตอนนี้ตีไปแล้ยี่สิววกว่าล้านน่ะแต่ต่างหาไม่รู้จะให้ใครเดี๋ยวนี้แลตมาจะไม่เกี็บของพวกนี้ด้วยนะแลตมางห้าก็นังสงสัยว่าดูรายการอาตมาแล้วทำไมไม่รู้จักอาตมาใชนไ้ ม, มเห็นไหมพระเจ้าะฉะ น, นั้นี่างหาบอกว่าพระรุ่ห น, น, นึ่งนั่งทาตะวันออกพร้อมของขลังพระรุ่นห น, นึ่งนั่งทางตะวันตกแต่สีมงลิปัตสมากรรมไาน อาจารย์าไม่ได้หมายความแค่นั้นอาจารย์นาหมายความว่าสัง่งตะวันออกคือสั่งของพุทธศาสนาในระดับวัฒนธรรมคือพุทธศาสนาระดับไทยๆ ไ, ไม่จำเป็นที่ ก, ก่นอะไรมากมายนะักมีพระไว้ทำบุญก็พอแล้วอย่าเรียกร้องอะไรมากมาย <laughs> ใช่ไหมแต่สัง่งตะวันตกพระที่เป็นพระเราต้องหาพระที่เป็นพระเป็นพระฟูธามอ่ะ เถ้าที่แบ่งเวลาไปทํำอย่างนทำอย่างโ้นอย่างนี้ต้องอะไรบ้างเนี่ยมันทําให้เราไปได้ไม่ถึงไหนคุณเดินคิดดูดว่าถ้าเ ย, ยีนวป่วยด้วยเนื้อร้ายในร่างกายหมอคนหนึ่งให้ยาธามาซึ่งมันไม่ได้ทําให้หายป่วยจากเนื้อร้ายนะแต่มันจะทําให้คุณชาลนความปวดแต่หมอคนหนึ่บอกต้องหาตัด แล้วคุณจะหายคุจะเลือกการรักษาของหมอคนไหนมันต้องผ่าแต่คนไทยกี่คนที่อยากจะพาตัดเคยไปให้หมอตรวจเลือด ก, ก็โอ้ยตายแล้วนี่ต้งองเจาะไหมเคยเห็นเลือด ก, ก็จะไม่สู้แล้วเห็นไรืว่างเพราะฉะนั้นในฐานะที่เราเป็นคนไทยเนะี่ะมันจะเป็นนต้องเป็นชาติพุทธไม่จาเป็นต้องเป็นคนไทยละครให้เป็นมนุ ษ, ษยชาติ แล้วมีใครมาบอกว่ามีวิธีอีวิธีหนึ่งซึ่งจะทำให้คุณไม่ทุกข์ไปทั้งชีวิตคุณควรจะเข้าไปเรียนรู้วิธีนี้นะก็ไปเรียนรู้อไวอาตมาไปที่พูฐานมาตอนนี้เขากนลังรณรงคมเรื่องประชาธิปไตยมีปัญหาเรื่องสิทธิเสรีภาพมากคือเขาก็ดูดูไทยนั่นเป็นต้นแบบเหมือนกันนะเพราะเไทยยู่ยังไง ไม่ม่เขาอาจจะยุ่งอย่างนั้นวันหนึ่งราชนีกุลก็หนึ่งถามอาตมาว่าท่านอาจารย์ท่านอาจารย์คิดยังไงเรื่องสิทธิมนุษยชนเราจะมีปัญหาเหมือนบงองไทยไหมอาตมาก็ตอบไปว่าโยมอาตมาไม่ห่วงเรื่องสิทธิมนุษยชนอตาตมาอยากให้คุณทันสนใจสิทธิสามสิทซึ่งเราไม่ค่อยพูดหนสิทธิ์ที่จะไม่โง่อเขามองห น, น้าอาตมา ท่านพูดตรงอย่างนี้เหรอคะเวลาอยู่เมืองไทยตงหานก็บอกว่ามีเงินแถมว่าน้อยไปสองสิทธิ์ที่จะไม่ทุกนะสิทธิ์ที่จะไม่ทุกสามสิทธิ์ที่จะเลือกนับถือศาสนาที่มีการสามที่สุดต่อชีวิตของเราสามสิทธิ์มันสาคัญยิ่งกว่าสิทธิ์ที่มนโชีอีก คุณเคยสนใจไหมสิ่งที่จะไม่ง่เนะี่ยมนุษย์ทุกคนนะมีมีโพธิ์ที่ปัญญาอยู่ข้างในทั้งนั้นนะ่ะสฝึกปฏิบัติไปจริงจริงดรงนู้นทำกันได้เกือบทุกคนนะสิ่งที่จะไม่โง่สิ่งที่จะไม่ทุกความทุกทุกรูปแบบที่เกิดขึ้นในชีวิตเรานะ่ะถ้าเราเคยผ่านการเจริญวิปัสสนากรรมฐานมาคุณรับมือกับมันได้ทุกรูปแบบนี่สิธงที่จะไม่ทุก เขาได้ยินสิทธิ์อย่างนี้ไหมเธอได้บอกว่าโอง้โหท่านอาจารย์ไม่เคยเลยอะรมาก็บอกว่าแท้ที่จริงเนะี่ยยอมมีสิทธิ์ที่จะไม่ทุกแต่ยอมไม่เคยใช้สิทธิ์ตัวนี้แล้วก็ยอมใช้แต่สิทธิ์ที่จะทุกตลอดเวลาเลยนะเห็นไหมแล้วก็สามสิทธิ์ที่จะเลือกนั้ถือศาสนาที่มีกันสารให้กับชีวิตเราเคยใช้ไหม เกมาเราไม่เคยได้เรื่องศาสนาเลยเพราะว่าพอพ่อแม่ไปแจ้งที่อำเภอพ่อแม่ก็ติ๊กให้ใช่ไม้มพวกนี้ตั้งมาภาพเรื่กงว่าเป็นพวกพุทธศาสกกนิกชนไม่รู้เลไม่รู้อะไรเป็นแก่นอะไรเป็นเปลือกถึงได้ยุ่งไงเห็นไหมถึงได้ยุ่งอย่างนี้ ฉนันเอาตมอภาพว่าภาพให้ดูแล้วนะว่าตอนนี้ในระดับโลกคนทั่วโลกเฮมาหาธรรมะเครื่องมือวัตถุหนึ่งคือคือปรากฏการ์ที่มีอยู่ในโลกสองคืออะไรอะไรก็ตามที่มันเป็นพี่น้องกับธรรมะมันได้รับความนิยมเหมือนเหมือนกันเช่นสปาเห็นไหมสปาโยคะเห็นไหมในนี้มีโยคะร้อนโยคะเย็นนะเ <c oughs> พิ่มขึ้นนะสปามาโยคะมา สารในทางธุรกิจคำที่สรงพลังที่สุดตอนนี้คือคาว่ากูรูกูรูก็คือครนะูไะกูรูนี้ออกเสียงแบบแขกเป็นกูรูแต่ฝรั่งเอาไปเรียกบางครั้งก็เพี้ยนเป็นกูรู <laughs> <laughs> เห็นไหม <laughs> แล้วก็มีน้อต่อมาก็คือพระสาทยที่แปดสายเซนได้รับความนิยมมากในตะวันตก อตตมาพระเดินอยู่แถวถนซฟิวต์บอลเเนลแล้ก็เดินอยู่แถวไทม์าทาสแควร์โยมคนสงสัยว่าเป็นพระไปเดินแถวนั้นทำไมอัตมาพระเดินคนเดียวฟิวต์วหลังเจอตลอดทางเลยว่าดาลายลามะดาลายลามะตงอาก็หันไปมองโยมไม่รู้จักวัดวนชนะฏเมื่อทีนะเอ่รู้อะไรโยม เห็นไหมนี่คือเดะมีชีวิตไงว่าลมหายใจของโลกคือลมหายใจตะวันออกคือลมหายใจของสมาธิภาวนาฉะนั้นเราอยู่มั่งใถ้าเราจับกระแสะโลกตรงนี้ไ ด, ได้คุณก็จะเป็นหนูถิบจักที่ทั้งชีวิตแม้มีศักยภาพนับร้อยนับพันอย่างแต่ศักยภาพเหล่านั้นจะถูกลบทอนและมองค้า เราจะมีศักยภาพด้านเดียวเท่านั้นที่เป็นขึ้นมานั่นคือศักยภาพในการหางกันจริงไหมมันมึดมันทำอะไรก็ได้ 18,009 นะเชื่อไหมแต่ระบบการศึกษาของเราจะสร้างเราให้เป็นพวก specialist เชี่ยวชาญคนละอย่างคนละอย่างคนละอย่างคนละอย่างนะมันครเปลี่ยนทุกด้านไปมเมืม่อมัดก็ทำแต่ออกแบบปรแกรมเลยฟนเราห้มาอย่างตอบไม่เป็นเลยแก้ปรแกรไม่ได้ ไหบางคนเป็นนักการตลาดทุกสิ่งทุกอย่างเป็นนักการตลาดทั้งหมดนะอธิมาให้ไปบรรยายญญาที่บริษัทแห่งหนึ่งพูดจบปุ๊บท่านอาจารย์ขอที่พระอาจารย์พูดได้ไหมทําไมเอามาทําแผนการตลาดอะไนะคือมั น, มนรู้จักหยิบมาด้านไหนด้านหนึ่งก็มองแต่ด้านนั้นจริงๆในหลวงของเราในฐานะนักปกครองทรงทำได้สำเร็จในฐานะนักกีฬาทรงต่อเรือใบไว้แข่งเองในฐานะนากักบรษิษัท ทิดฝนหลวงในฐานะนเ ก, กษตรศาสตร์สมิใจดั่งดินและน้ำเชี่อชาญที่สุดในโลกในฐานะพ่อของโลกเพิ่อนโดมลงสัส่งสอนโลกลูกไทยหลานไทยทั้งหลายเพื่อนโยมเป็นศิทุกวันนี้เพราะพ่อใช่ไหมพ่อสอนทุกวันผ่านข่าวในพระราชสำนักและในฐานะของโลกเพื่อนโยมเป็นโลกที่สฉลีจ็จได้ภูมิใจที่สุดในฐานะของศิลปิน ส่ง ว, ว่าภาพและแต่งเพลงเอาไว้เยอะแยะมากมายเห็นไหมในฐานะของพุทธศาสนิกชนทรงพระหนุ น, นลและแปลพระมหาชนกเป็นพระราชนิพนธ์นิจจวรรณกรรมชั้นนําของโลกดูดูวคนคนหนึ่งเก่งกี่อย่าง เ, งางเราทุกคนมีศักยภาพเช่นเดียวกับในหลวงเก่งได้พอๆกับพระรองค์ท่านหรืออาจจะมากกว่านั้นแต่พอเราไปเรียนในระบบกศารศึกษาของมหาวิทยาลัย ระดับการศึกษาของเราจะแบ่งสอให้เราเรียนทีละขั้อย่างทีละอย่างทีละอย่างทีละอย่างทีละอย่างสกภาพของเราซึ่งมีอยู่เต็มร้อยถูกรดทอนด้วยใครได้เรียนการตลาดรู้เรื่องการตลาดใครได้เรียนเศรษฐศาสตร์รู้เรื่องเศรษฐศาสตร์ใครได้เรียนรัฐศาสตร์รู้เรื่องรัฐศาสตร์ใครได้เรียนอักษรศาสตร์ก็รู้แต่อักษรศาสตร์มีที่คนที่จะมีความรู้ในลักษณะบูรณาการศาสตร์ต่างๆเข้าด้วยกันเห็นได้ยัง แต่ม่หลวงทำได้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นทุกวันนี้คิดดูสิว่าเราเป็นมนุษย์ที่น่าสงสารแค่ไหนเราเรียนหน้งสือเยอะแยะมากมายแต่เรากลับมีปัญญาแค่อย่างเดียวนี่คือปัญหาช่วงที่แตาพัดไปใช้ชีวิตอยู่ส่วนมกช่วงสั้นๆเรื่องราของหลวงพ่อพุทธท่านเล่าให้ฟังว่าท่านอาจารย์พอในวันหนึ่งดรคนหนึ่งจบทางด้านจิตวิทยามาจากอเมริกา บวชมาจากกรุงเทพมาอยู่กับหลวงพ่อหลวงพ่อถามว่าคิดยังไงมาอยู่สวรรค์นักจิตวิทยาต้อมีดีกรีจากอเมริกาเขาบอกหลวงพ่อพูดตรงๆนะครับผม อ, อกหักแล้วก่อนน่าจะ อ, อกครับทาอะไรมาพ่อครับผมเป็นนักจิตวิทยามีการเมฆครับจบที่ไหน ตัวเอกบริกาครับนักเรียนทุนกอพอครับนักจิตวิทยา อ, อกหักห้ามน้ําตาไม่ให้ไหลไม่ได้พี่บวดเพราะอยากจะค่าตัวตายหลวพ่อบอกว่าเอาเปริญญาของคุณไปทิ้งทั้งเลยให้หมดแล้วมาเรียนธรรมะที่นี่ทุกวันนี้อาจารย์คนนี้เป็นนักจิตวิทยาที่เอาพุทธศาสนาไปผสมผสาน เป็นบุติสติ p s y c h o เห็นไหมยังทำมาบรรยายในวิชาที่อาตมาเรียนอาตมาไม่ได้บูชื่อเห็นไหมว่าการศึกษาที่เราเรียนกันอยู่ทุกวนันนี้มันสร้างเราให้ไปเป็นธรรบะไปเป็นอะไรเราเป็นผู้เชี่ยวชาญสารพัดเรื่องแต่เราไม่ได้เป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องการดับทุกข์นี่คือปัญหาของมนุษย์่ะใช่ไหม ประดานันงที่เบคือเบลคือตั้งใช่ไหมเบลคืนตั้งคุ้โลกทั้งโลกให้อยู่ในอานัตตแต่พอนักศึกษาฝึกงานชื่อโมนิกาโลวินสกีไปสึกงานเห็นไหมฮะไม่สามารถคุมโลกของตัวเองได้แล้วเป็นยังไงนี่เราได้รู้จักรพัต ร, รู้อะแต่ไม่รู้จักจิตใจของตัวเองก็ยากอย่างนี เพราะฉะนันวิชาต่างๆที่เราเล่าเรียนศึกษาอยู่ทุกวันนี้มันเป็นวิชาที่จะทําให้มนุษย์แตกออกเป็นเสียงๆนะเป็นผู้เชี่ยวชาญสรารพัดชนิดสรารพัดประเภทแต่ไม่เชี่ยวชาญในเรื่องของตัวเองตอนนี้ทางรัฐกำลังทําสถาบันชื่อสถาบันมิมุตตยาลายัยนะก็วางแผนเอาไว้ว่าจะจะเปิดเดือนธันวาคมพระทันนะก็คงจะประมาณชมรมคนรู้ใจอย่างนี้แหละนะแต่คงคงไม่ใหญ่เท่าขนาดนี้ ก็ทำเล็กๆตามภาษาพระเล็กๆรุดหนีในขณะนั้นก็นับว่าบุญแล้วอาจารย์ไม่ค่อยจะโปรยสอนวิชาต่างๆซึ่งมหาวิทยาลัยไม่สอนเช่นวิชาการจัดการกิเลสกิเลสแมจเมนต์จะสอนเองเลยนะจะสอนเองแบบนี้ สอนวิชาเล่ดอกไม้สะเทือนถึงดวงดาววิชาอะไรรู้ไห้ยปดติดจัดสมบาทิถ้ามาอยากจะสอนคนจะได้เลิกคิดจะได้เลิกคิดอะไรเป็นเสียงเสียงเสียงทีนะสามวิชาตายเสียได้ก็ดี <c oughs> แต่และวิชาเร็วเร็วฉันหยุดนะตายเสียได้ก็ดีคืออะไร ตาของเราเนี่ยมันต้องถูกค่าให้มันตายก่อนตายเพรา ะ, ะพระพุทธเลกาว่ากิเล ส, สนิพัน์จะเกิดขึ้นก่อนขันธนิพาน์กิเล ส, สนิพานก็คือตาขงเราได้รับการดับแล้วก็เราก็ตายเข้าลงเป็นขันธนิพานธ์นีชาเหล่านี้ในมหาวิทยาลัยทางลกไม่ค่อยเปิดสอนเลยนะอาตมาก็เลยคิดสร้างมหาวิทยาลัยของตัวเองเนี่ย ก, ก็คือวิมุตตยาลายัยเป็นอธิการบดีเอง ให้มันร้องมันจะบึ้งเลยวิชานี่มีประโยชน์ขนาดนี้ทำไมคุณไม่เรียนไม่สอนกันน่ะใช่ไหมเป็นดารงดารามีชื่อมีเสียงมีเงินเป็นหนุนเป็นแสนไปงานแต่ละทีรับเข้าตัวเป็นแสนจังชิงเงินได้ทั้งหมดใช่ไหมแต่ลับไปจอดบ้านคนอื่นจำไม่ได้เห็นไหมล่ะนื้ หาดการบริหารจะแการกเลยนะตัณหเดโตทุกคนเราก็มีที่รู้ใช่ไหพราะฉะนั้นอาจาจะไมสอนวิชาอะไรที่มันลึกซึง้งจะเอาตรงนี้นนพุทธกิจงไม่เป็นไรขอแค่เป็นคนขอแค่เกิมาแล้วเป็นคนมาเลยต่าอยากจะสอนวินชาอย่างนี้ น, นะเพราะฉะนั้นอาจารยทเขาทำงานเขาเรามาหลายปีอย่างรัตตาของตัณหาที่จังหวัเนี่ยทำมาห้าปีแล้วนะ ตั้งแต่เรียนจบไปเรียนทำก้าวใหม่ๆเราก็ทดลองทันมาเรื่อยๆจนตอนนี้ได้พื้นที่เพิ่มขึ้นเป็น50ไร่ล่าสุดยอมท่านยกภูเขาถวายมาหนึ่งลูกนายท่านก็ไปซื้อเลยนะมันก็มีเพิ่สองลูกจะทันมาเราอยู่แถวนั้นแกงก็มีได้่มทันมีสอดไงเพื่อนอาจารย์บอกว่าเราต้องรีซื้อมาภูเขาลูกนี้ถ้าเราได้นะเราจะสร้างบทธรรมชาติข้างบน ตรามะมีวิสัยทัศน์ธรรมะบอกว่าอย่าซื้อเราต้องซื้อเพาะนโยบายของธรรมคือไม่ซื้อคือตมคุยแต่เจ้าที่แถ้นเอาไว้ว่าธรรมะจะซื้อถ้าอยาก็เรื่วนกระตมะสบงปตาาเด็ก <c oughs> สุดท้ายเจ้หนหลังจากที่เลื่อนี้ยราทงมา ห้าปีนะนายท่นบอกว่าท่าอจากได้เท่าไหร่ก็วัดเอาแล้วกันเห็นไหมได้มาแล้วตอนนี้จัดแปดไร่ตอนที่ธารมภาพไปสอนกรรมฐานให้ผู้หญิงคนหนึ่งนะซึ่งติดเชื I ้อเอชอวทั้งชีวิตไม่เคยได้ยินคำว่าธรรมะพอตัวติดเชือาชอวมาไปสอนกรรมฐานสุดท้ายก่อนจะตายประกาศว่านู้จะตายอายุสามสิบประเด็นเกี่ยกับตั้งสาแล้วก็อยสาสิบตายจรงิง มีที่เดือดร่ายย่อมให้อตมาทานาก็บอกว่าเขาเขาศรัทธาเรากัพระธรรมะฉะนั้นต้องเอาที่ไปใช้ในทางธรรมะก็จัดแต่ไร่ก็ทําตัวหน้าสงสารเข้าไว้เนี่ยเป็นวิสุทธิ์พิสตอนนี้แล้วไปกล้ที่ของอตมาไในหมูม่ไปสร้างอ่างก็บน้ําไว้ประมาณสามพันไร่เวลาเดินอยู่บนยอดเขาของอตมามองลงไปข้ า, างเห็นอ่างเก็บน้ําสุดรูกหัวลูกตา อาตมาเองก็เห็นว่านี่เป็นหน้าเรื่องสาบของอาสมเห็นไหมเราก็สมุดเอาคือเรารู้จักอันไหนเป็นสมมุติอันไหนเป็นที่มุดใช่ไหมเออเราก็อสมุอืมก็เหล่านี้ก็จะเป็นเป็นส่วนนิพพานากรรมฐานซึ่งอัตมภาพที่ว่าทําแล้วในอนาคตก็คงจะได้ลงมาทําตรงนี้อย่างเป็นจริงเป็นจังวันก่อนไปออกโพรทัศนรายการคนโดนใจ ตอยคนหนึ่งเห็นแล้วชอบมากอตรตมาภาพพูดแต่ประวย่หนึ่งว่าธรรมาภาพอยากสร้างวัดป่าชานเมืองมากสงสารคนกรุงเทพทุกหนักหนาสาหัสใช่ไหมเตื่นแต่ตีห้านะตีห้ากดนาฬิกาปลุ ก, ลกนาฬิกา ป, ปลุกดังตื่นมันก็เรียกว่าตือนแบบทำพิธีตื่นเท่านั้นตื่นจริงๆเหรอเนาะใช่มเห็นไหมเจอหลายคน ดหแลังที่ดีตัจากนั้นต่อรองใช่ไหมต่อรองทำที่ดีเตงมจริงหกมืนจากนั้นท่านในโลกพาลูกอาบน้ำเอาข้ามากินในรบอกเลิกวันละตอนหลับเอาดับหน้าชนัม้มส่งลูกศิลป์ไปที่ทา ง, ง, า, นท า, ง, งานทางานแทบล้มประดาษตายเยนกลับบ้านมารับลกูก ลูกก็หลับอยู่ในรถเม่พิมพ์เอกสารต่อในรถกลับมาถึงบ้านต่างคนต่างกินข้าวแม่ท่านไม่ได้สอนการบ้านลูกข้านอนสามีกลับเที่ยงคืนติดประชุมประจำ <c oughs> วันเสาร์วันอาทิตย์ทำอะไร <c oughs> เป็นเพื่อนลูกไปเรียนพิเศษเดินไปเรียนกันเจดวันแต่ง่อนกวดเดิม จริงไมเด็กเดนเรียนไม่ขึ้นพ่อไม่จู้นี้จเรียนเลกล้วรยนเรืเลยทไมพอไม่ใหเวลาให้เด็กได้คิดนะไม่ได้อินพุทธอ่ะไม่ได้เอาพุทธไอินพุทธกันตลอดน่ะเด็กมันเลยื้ือยาไเป็นแบบน่ะจริงไหดื้ความรู้พ่อไม่กันเด็กเกินงานเงินเดือสามหมื่นแต่ตลางคืนพ่อเลือดแบบลึกมาทำต่อ ชีวิตทำเงินกระเดินกินกระเดินแสนเลย น, นะ <S <S จริงหรือไม่จริงนี่ชีวิตของดีน่าสงสารนะอยากจะเข้าวัดที่หทังถึงก็ทางไปไปถึงปากรอเดินมาวัดไม่้อีกทุกแทบล้มกระดาษตายยกทางสังฆทานไปถวายสิ่งที่ได้รับ ก, กันมาคือยะถาสัตถีแต่ทุกอหัวที่เก่าใช่ไหมหานะ สังฆทานช่วยไหมนอะกจากไม่ช่วยแล้วบางดีเป็นสังฆทานเดินเถียงของสักโฟกับ น, น้ำอยู่ด้วยกันพระสุขภาพดีดูให้ท่านเบ่งท่านมรณภาพเอง <c oughs> ได้นะ <c oughs> ดงไง ย, นยนนนบบนินไหมหนึ่งจะทําุ้มเจงั้นว่าดังนั้นมันแสบไหยคุณม่เล่นหน้ารู้เห็นไหม จกิงๆกระมาตระตมาถหลักเดียวกันนะกระตมาแจกลิ บ, น ะ, าาบนะจะได้รับโกต่อเมื่อหนึหน่งฟังเทสแจกกระตมาจบแล้วลิขเบลชุดนี้ไม่มีขายทั่วไปเมื่อขายก็คือเมื่อไปถ่ายสังฆทานที่โกตียตมาแล้วฟังเทเสจบแล้วไม่เมื่อท่านเดิมาจริงจะได้รับลิบเบลเริ่มมีกุไลแล้วมีหนึ่ ง, งโลเหรอ ครั้งล่าสุดเพื่อนอบพื่งนอบค น, น, นล่าสุดไปแขก VIP ของพัตธามาคือน้องกี้น้องกันที่รายการเจ้าใจพาไปพพระปัรมาธารมาก็เท่ก่อนเราก็ถึงจะเล่ารูป แ, แบบให้ธรรมะอยากซื้อวัดในฝันคือรัดต่าช้าบางเอาไว้ใกล้ๆกันเพศวันนั้นก็ไปพูดในรายการทีวีนิดหน่อยยมก็เลยมาให้แปะได้ยังม่ได้ไปดูนะยมยมบอกว่า โยนไม่ตใจอะไรหรอกแต่โยนอย่างให้ท่านคําเอาคําว่าวิชามาใช้ถ้าท่านจะสร้างวัดอาตมาบอกโยนสบายใจได้ในศาสนะบางที่อาตมาจะเปิดนีอยู่วิชาหนึ่งที่อาตมาจะสอนและจะสอนด้วยวเพลงคือวิชาตามหาชอช้างไม่รู้ันมันมั น, มนตักจิตรงไหนในตัว่เ็นศาสนาเมื่อพูดถึงคําว่าวิชามีชอช้างสองตัว คือวิ ช, ชาสามวิ ช, ชาแปดวิ ช, ชาจรณะสัมปัโนโนเคยได้ยินไหมช่ทั้งสังเกตจะยังไงเราต้องตัดชวอช้งออกตเตาโล่กันแน่เลห็นไ้มคือจากวิ ช, ชาที่บอกว่าความรู้จะกลายเป็นแค่การรู้หลายวิ ช, ชารู้เยอะแต่ไม่แจ้งเนี่ยเพราะฉะนั้นวิ ช, ชาการหาชาวอช้งทีหายไปต้องเปิดสอนสอนยังไงก็จะติประถันสี่ไง เนีสติปัญฐาสีเนี่ยจะเป็นหลักโสูตรเกณฑ์กลางเลยนะที่เรียกมาทั้งหมดเ น, นะนี่ยมีฌานนี้มีฌานี้ในท่าปฏิบัติจ ะ, จ, ะจะได้เรียนเพียงเดียวคือสติปัญฐาสี่พราะถึงจะมีฌาสุดท้ายแล้วมันก็จะมาตรงนี้และนี่นคือศิละปะแห่งสามเตะที่เป็นหัวข้อธรรมบัญญัติในวันนี้ทั้งหมดเห็นไหมนีม่แค่อินซอร์ทั้งนั้นนะ <c oughs> มันไม่มีข้อหาเลย <c oughs> อิ้มเชยได้หมดเลยเห็นไหมทำไนธรรมาภาพยังไม่เข้าเนื้อหาเพราะอะไรตอนนี้ธรรมาประชุมอยู่ห้องนู้นธรรมาเห็นแล้วว่าทุกท่านได้ฝึกภาคปฏิบัติอยู่แล้วฉะนั้นก็ไม่ต้องอะไรมากมายกับตรงนั้นธรรมาเชื่อมาทุกท่านได้เรียนศิลปะแห่งสานติอยู่แล้วทุกครั้งที่มาที่นี่ฉะนั้นสิ่งที่ธรรมะจะพากจะพูดก็คือสิ่งที่ทุกท่านทําอยู่แล้วนั่นแหละอะไรคือเคล็ดลับของศิลปะแห่งสานติ คือที่เรามีสติที่ไหน ส, ส, สันสติก็อยู่ที่นั่นสติสันติง่ายแค่นี้สติอยู่ที่ไหนสันติก็อยู่ที่นั่นแต่พอสติไปอยู่ที่คนอื่นทุกก็อยู่ที่เราเห็นไหมเอ่ยปีหน้าจะมันจะทำทำรายการโทรทัศน์รายการหนึ่งนะชื่อธรรมะวยอายู พยายามจะวิ่งกสนาการมาถานตลอดโทวดาท่านให้ได้ตมาอยากถามมากทุกวันนี้ถึงพยายามทําตัวให้ให้ดูเด้วยสมัยที่งจริงแก่นะแก่แล้วนะแต่ว่าเวลานําเสนอเนี่ยตทมดาทานอยากให้ชีวิตมันธรรมะนี่มันมีชีวิตชีวาบากแต่อะไรเสร่นเส้นเดงไม่ได้ตลอดอกถ้าเราไม่สุกจากข้างในใช่ไหมเราก็ต้องสุกจากข้างในเวลาเห็นพระให้รู้สึกเหมือนเห็นดอกไม้บานใช่ไห <quiero S 1> ไม่ใชเห็นผ้าแล้วแหมสัมบัญกาใช่ไหมอ่ะทำไมอยากรังเทียรักแบบนั้นจริงใชงเวลาเท่าที่นีทั้งหมดหลังจบประเด็นเก้าหลังออกจากป่าแล้วเนี่ยจะมาแบบทุ่มตรงนี้ น, นนะคือหลักสอศิละปะแห่งสันติที่นี่โชคดีมากที่ผู้หลักผู้ใหญ่ของเราคุณดานายจังเจ้าชาย และหลายถ้ำแลหลายคนได้รีเริ่มศิลปะแห่งสันติเอาไว้ตอนนี้กําลังเป็นสถานที่หนึ่งซึ่งขึ้นชื่อเรีชาว่าเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมที่รวบรวมเอาครรนรุ่นใหม่ทันสมัยเอาไว้มากรองกันที่นี่ตั้งเยอะแยะมากมายใครอยาทันสมัยมาชมกันควรู้ใจเห็นไนะ้มในในโคตังต้นนะถ้าคุณโยมเป็เดินบนถนนไปนั่งในวงสนทนาไปออกรายการโทรทัศน์ ถ้ามีคนถามว่า ง, งานอันดับหของคุณคืออะไรถ้าใครตอบว่าจเจริญฮิศนากัรมฐานเด็กีทส่งจำนด้เลยนะจำได้เลยตอนนี้เริ่มแล้วนะตอนนี้เริ่มแล้วกำลังเต็อยูแ่และปีนี้นคุณยยมจะได้อห็นปรากฏการณมนีชัดเจนยิ่งขึ้นใครที่เจอโรฮิทศนากรรมัฐานถึงหน้าตาจะไม่เห็นนะแต่ทีพี้ก็จะชอบนะก มันคอมโบไว้นะเพราะฉะนั้นเราเรียนศิละปะหางสานตีเอวไว้เถอะเรียนวันนี้เราก็ได้เห็นผลวันนี้แปลงากวิชาวิปัฒ น, นากรรมาทานนะเรียนปุ๊บตัดเกิดปับไม่ต้องรอปีหน้านะคุณแ่ะคุณฝึกการตื่นรู้โดยใจที่นี่แล้วเดี๋ยวนี้ก็ประเมินผลกันเดี๋ยวนี้ส่วนวิชาอื่นนะต้องรอครูบาอาจารย์ประเมินก่อนใช่ไหม บางครั้งหมดเข้าของไปเยอะแยะเลยกว่าจะได้เองมาสักตัวนะ่ะอาจมาสอนอยู่ที่มหาจุฬาหนังสืออาจามย์ีทั้งในงคันในพันขาราชการผู้บริหารนะหลักสูตรวันเสาร์วันอาทิตย์เวลาอาจาไปสอ น, นเค ร, รื่องเส้ น, น, ต, บบนต็มโต๊ะเลยทั้งยาคุยทั้งยุทธมนตรโรวต้องมเล่นอะไรนอาจาบอกโยมอาจานี่เป็นทาสแต่เพเื่นเลงไม่เชื่อเอาเรามาถวายรับ ไม่อยากทํำสัทธาไทยให้เสียไปแต่ว่าไม่ฉันแล้วก็ถห็ว่าฉันแล้วแต่เวลาประเมินเกิดโดยจากมาตรฐานทางวิชาการไม่ได้ดูว่าคุณเอาอะไรมาถวายอารมา<笑><笑>เห็นไห้ต้องช็ดเจนอ ย, ย่างนี้นี่คือวิาชวาทางโลกขวารเจอรู้ผลต้องรอเป็นเทอมใช่ไหมแต่วิชาตีละป่าห่สันติถ้าเรามาเจอในพินัสนากรรมฐานตามนาแนวสติปัฏฐานสี่ ทันดีที่ลงมาทําก็ประเมิกนการตรงนั้นที่นี่และเดี่ยวนี้แล้วใครประเมินให้เราเราประเมินของเราเองต่อให้คุณไปสอบอารมณ์กับครูบาอาจารย์ถึงที่สุดแล้วไม่มีใครรู้ใจคุณดียิ่งไปกว่าตัวเองนะฉะนั้นรเราประเองรเรารู้เองแต่วิธีวัดผลที่ดีที่สุดนั่นคือวัดผลในห้องวิปัศนากรรมฐานนี่สิของทํางนานเยอยนะมา แต็นโยมที่ตภาวนากรรมฐานสามวันมีความสุขมากโทรมขอบคุณพระอาจารย์พระอาจารย์ทำมาไ้พระอาจารย์เป็นกันลยาณนะไหมชีวิตนี้ไม่รู้รือเล่าไม่รู้ว่าจะค้นหาว่ายังมีความสุขที่สุดในชีวิตอยู่สามวันมีจิตใจเลยนะพอวันที่สี่สามีขับรถมารับทําไมมาเอาตั น, <laughs> เนเลยนื่อยเลยนะ เมื่อพออจากคลับมีการพิจาการม่ผานเพิ่มเติอ่ะสะผ่านไหมอย่างนี้ไม่ผ่านนะเมื่อเราเดินสินฟายสารตีที่แท้จริงชีวิตของเราจริงๆคือเวทีของการทดสอบเอาไปใช้ตรงนี้ตอนนี้เราประพฤติปฏิบัติอยู่ตรงนี้อยู่กับครูบาอาจารย์มันนิ่งมันใสมันจำเพราะอะไรบรรยากาศมันเอื้อใช่ไหมบรรยากาศมันเป็นสัตยา เห็นเพื่อนนั่งเราก็นั่งเห็นเพื่อนนิ่งเราก็นิ่งคือถ้าไม่นั่งและไม่นิ่งเดี๋ยวมันจะสู้เพื่อนไม่ได้ใช่ไหมละ่ะบา ง, บางทีไปกลับอารมณ์แล้วคุยกันหนึ่งชั่วโมงถาม่าานอาจารย์ถามอะไรคุณอาจารย์ไม่ได้ถามหนูเล่าให้ฟังเล่าเรื่องอะไรทุกเรื่องเป็นอย่างนี้เยอะมากประสบการณ์การกา ร, การสอนกรรมฐานนะบางที มันไม่มีอะไรหรอกแต่ถึเวลาสอบก็มาไงแล้วก็พยายามตรุงแต่งปัญหาขึ้นมาถามปัญหาตรุงแต่งไม่เยอะมากนะยิ่งอาจฉริยะมันคิดปัญหาทุกข์าบานนะเยอะมากแต่ในการเรียนศิละปะแห่งสันติทุกอย่างต้องมีความจริงรองรับความจริงที่อยู่ในใจเราเนะี่ยไม่มีใครรู้ดีไปกว่าเราแล้วที่เราจะรู้ว่าเราก้าวหน้าไหมในการฝึกศิละปะแห่งสันติ ทุกวันที่เราใช้ชีวิตให้สังเกตใจตัวเองธรรมาคิดสับนะสั์หนึ่งผู้บรรนาละว่าทุกวันมีวิธีหนึ่งที่ธรรมาอัตมาใช้ดูแลเองก็คือดูว่าเวลากระทบกระทบภาษาบาลีเรียกว่าผัสสะอัตมาแปลใหม่ด้วยสัมมวลธรรมะติเตว่าปฏิสัมพันธ์เห็นไหมง่ายขึ้นไหมเวลาปฏิสัมพันธ์กับอารมณ์ที่มันมาทางตาหูจมูกลิ้นกายใจแล้ว สังเกตว่าเข็มไม้หัวใจของเรากันเด็กนะถ้ามันยังกันเด็กอยู่นะบางคนแบบท่านอาจารย์มองไม่เห็นเรือว่ามันกันเด็กเพราะอะไรเพราะมันกันเด็กทีเดียวมันเรือนนะบางคนมันยังใช้ใช้แบบนี้คเอยบางคนมีจิตอยู่ใช่ไหมบางคนจิตมันไม่ทำมันกระดกทีเดียวถามไม่รูสึยังใช้ไม่ได้่ยังใช้ไม่ได้ให้สังเกตเรนนั พระพุทธเจ้าต้องบอกว่าบัณฑิตมีการจับผิดตัวเองเป็นกำลังคนโลมีการจับผิดคนอื่นเป็นกำลังใ น, ในความนึกคนโล่ชอบจับตาดูคนอื่นบัณฑิตชอบจับตาดูตัวเองคือดูใจตัวเองฉะนั้นเราอยากเจริญก้าวหน้าในโลกของการปฏิบัติธรรมอย่าจับผิดคนอื่นจับผิดตัวเองให้มากๆจับผิดตัวเองมากๆ เราจะเห็นความก้าวหน้าของจิตใจของเราเมื่อเราปุกจิตกใจของเราแล้วกับสติสารติก็ตามมาเคล็ดลับมัน ง, ง่ายจะตายทีนี้ถ้าเราถนัดแต่จะจับผิดคนอื่นกิเลสมันจะถูกกระตุน้นเหมือนใครไปคนน้ำให้ขุ่นขึ้นมาทุกครั้งที่เราจับจับตาดูคนอื่นนะเชื่อไหมโลภเกิดขึ้นโกรธเกิดขึ้น หลงเกิดขึ้นฤทธิเสียเกิดขึ้นเหมือนพระรูปหนึ่งเป็นพระหลวงตา่างที่วัดของท่านนะ่ะมีกุฏิเรียงเป็นตับทุกกุฏิมีก๊อกน้ําหน้ากุฏิวันหนึง่งท่านเห็นว่้ากุฏิฝั่งโน้นเปิดก๊อกน้ําทิ้งไว้ท่านมีนิสัยเป็นนักจับผิดแทนนี้ท่านจะเดินไปปิดก๊อกท่านไม่ปิดท่านขึ้นกุฏิของท่านเองลากเก้าอี้มานั่งข้างหน้าตา่าง เอาสมุดมาเห็นใครเดินผ่านมาท่านขียหนึ่งติ๊กวันนี้มีคนผ่านไปหนึ่งคนเห็นน้ำไหลแต่ไม่ปิดคนนั้นผ่านไปสิบห้าคนเขีไสิบห้าคขีนเงิยนวันสิท่านนงเรื่องนี้เข้าที่ประชุมท่านบอกว่าวัดเราค่าน้ำค่าไฟแพงขึ้นทุกเดือนเพราะอะไรรู้ไหมโลกเงินไม่รู้ใช่ไหมผมพ่อจะบอกให้ วันก่อนหลวงพ่อสังเกตนะกูตีหลังมืเนวดน้ำทิ้งหลวงพ่อสังเกตเลยงแต่เช้าจนเยนมีคนลดหางสิบห้าคนไม่มีใครมีกะใจไปปิดก๊อกน้ำเห็นไหมหลวงพ่อทำสถิติไว้หมดนะเนี่ยมันได้มันเห็นแต่ตัวเน้นนี้แค่เพียงเลหลวงมือหนคนได้ทามานไม่ปิดเห็นไหมยัง เนี่ยคนพาในปกติจับผิดคนอื่นพอคิดแต่จะจับผิดคนอื่นเห็นจิตเห็นใจตัวเองไหมที่เหลวมันก็ฟูที่เกลือฟูขนาดนี้ยังคิดว่าฉันประเสริฐนะโอ้โหโหง่ล้วคิดว่าเป็นชลาดนะเดือนที่เ น, น, น, นี่ยเมื่ยคนเหล่านี้เพราะ อ, อะไรไม่เคยได้เรียนวิชาศิลปละ่าแห่งสามเตะะนั้นทุกท่านทุกคน รู้สารทัศน์รู้แล้วอย่าลืมนะต้องรู้ใจตัวเองถ้ารู้ใจตัวเองแล้วไม่ต้องกังวลว่าจะไม่รู้ใจคนอื่นใจคนอื่นเหมือนใจเราเพระนิมมานต์พ่อชาไปสแสดงธรรม ท, ที่อังกฤษไปเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยออกฟอร์ดท่านเขียนบันทึกเอาไว้ว่าไม่ว่าใครก็ตามมาถามปัญหาท่านท่านไม่รู้สึกขั้นคลางามไม่รู้สึกว่าจะต้องเตรียมตัวเป็นกรณีพิเศษ รู้สึกเฉยชเยมือนกันทั้งหมดแต่เราถ้าเั้งหลหยถ้าเจอฝรั่งคนไทยจะฝ่นะกลัวนะยิ่งฝรั่งที่เป็นตัวเฟื่อ์แล้วโอ้ยถอยเลยนะเราเซ่อดีกว่าถ้าเจอตัวเซ่อแล้วเราเซ้อดีก่อนะแต่หลวงพ่อชาบอกว่านะท่านาาาาไม่รู้สึกครั่งค้ามต่อการที่จะถูกถามคนที่รู้จักใจของตัวเองอย่างลึกซึ้งนะเพียงใจเดียว รู้จักใจของมนุษย์ทั่วทั้งโลกเหมือนคนยอมีเกลืออยู่เม็ดหนึ่งเป็นเกลือที่ผลิตในประเทศไทยเกลือเม็ดหนึ่งเป็นเกลือที่ผลิตในประเทศจีนเกลือเม็ดหนึ่งผลิตที่อินเดียเกลือเม็ดหนึ่งผลิตที่อเมริกาเกลือเม็ดหนึ่งผลิตที่ออสเตรเลียเกลือเม็ดหนึ่งผลิตที่อูกันดาถ้าเกลือทั้งหมดมันเป็นเกลือจริงๆต่างสถานที oi. ่กันมันจะเค็มเหมือนกันหมด เช่นเดียวกันถ้าเรารู้จักใจของเราอย่างลึกซึ้งเพียงใจเดียวไม่ต้องกังวลว่าคุณจะไม่รู้จักใจของคนทั้งโลกฉะนั้นมีวิชาไหนบ้างในโลกนี้ที่เรียนจบวิชาเดียวแล้วทําำลุทุกวิชาในโลกเห็นไหมวิชาเหล่านี้มหาวิทยาลัยทั้งหลายได้ทอดทิ้งไปแล้วเป็นเรื่องน่าเศร้ามากที่ มันไทยมีข่มคังของวิชาเหล่านี้แต่เราไม่เน้นการสอนประเทศจเขก็สู่วิกฤตซ้ำซาครั้งแล้วครั้งเล่าผู้นำบ้านเมืองของเรารู้สารพัดรู้แต่ไม่รู้ดีรู้ชั่ว <laughs> เห็นนะมันถึงได้ยิ่งกันอย่างนี้แต่วิชาดูใจของตัวเองนี้วิชาศิละปะองสานตินี่นะสิ่งแรกที่จะสอนถ้าคุณเรียนก้าวหน้าคุณจะได้รู้สิ่งสาคัญที่สุด คือรู้ดีรู้ชัวร์รื่องอัตาตาจะเกิดขึ้นมาก่อนเนอออต็มต้นพราะถรู้ดูใจของต็มเต็มปุ๊บน้ำตาจะไหลนึกถึงพ่อนึกถึงแม่เมื่ออาตมาไปเรียนกรรมาฐานที่วัดธรรมภวันตอนเป็นเด่นน้อยน้ำตาไหลอยากกลับไปการาดอุปชาของอาตมาที่ส่งอาตมามาแดนกักกันที่ดินที่สเนเนะือนห ร, รือโอ้โหอาตมาเลยไม่ได้เรียนมหาจุฬาเลยนะ เพือพ่อนๆเขาขึ้นรถจะเป็นสมัครเรียนมหาจุฬาที่กรุงเทพหลวงพ่อเรียกอราตาไปเก็บกระเป๋าแล้วใช่ไหมครับไม่ต้องไปมหาจุฬาไปวัดอัมพวาวันเลือก <c oughs> นะไม่ได้จบวิทยาตรีชีพเนี่ยก็อยู่ ว, วัดอัมพวาตอนพอไปเรียนวิทยาารมาฐานวันหนึ่งจิตมันรวมเกิดปีติร้องไห้คิดถึงแม่ อยากกลับไปคืนมื้งเลยอยากเอาสิ่งที่ดีที่สุดไปตอบแทนแล้วคุณแม่คิดถึงพ่ออยากโยงแขนพ่อมานั่งสมาธิคิดถึงเงินประชารอยากกราบที่เท้าท่านฮีเรโอต่ตาปมันเกิดขึ้นนะเกิดขึ้นมาแล้วเราก็จะไล่ชั่วกรบาสนาทีนั้นเราจะไม่ใช่คนดิมอีกต่อไปเห็นไหมนิชานี้เป็นวิชาที่เราไม่ค่อยสอนฉะนั้นคนไทยจํานวนมากทําชั่วจนเคยชินไม่รู้สึกว่าชั่ว ม่าจรู้สึกว่าสิ่งความเรียนทั้งหลายกลายเป็นความทำสมัยนะเพราะสิ่งที่เราเรียนเราสอนกันทั้งหมดเป็นวิชาธรร ม, มาหากินทั้งนั้นไม่ใช่วิชาชีวิตมันเป็นได้แค่วิชาชีพเมื่อเราเรียนกันแต่วิชาชีพไม่ได้เรียนวิชาชีวิตคนของเราที่เก่งมากๆก็กลัวมากมากเลียดได้รับการศึกษาสมัยก่อนคนก็มีการศึกษา กิเลสก็มีการศึกษาแต่ว่ากิเลสสมัยก่อนเขาก็เรียนไม่สูงโดยวนี้กิเลสมันพัฒนาเป็นกิเลสระดับปริญญาตรีปริญญาโทรปริญญาเอกเห็นไหมปัญญาได้รับการพัฒนาชนใดกีเลสได้รับการพัฒนาชนนั้นเพราะเขาเรียนทุกทุกวิชาแต่เขาไม่ได้เรียนวิชาตื่นรู้ดวงใจถ้าเรามาเรียนวิชานี้ปุ๊บสังคมไทยไม่เสื่อมเพราะถ้านักการเมืองทุกคนมีเฮเรโอตา ป, ปะซึ่งเกิดจากการเจริญปัญนากรรมฐานนะ บาเดเบลเขาก็กลวงไม่ได้หรอกะฉะนั้นทุกท่านโชคดีแค่ไหนที่มานั่งอยู่ตรงนี้ได้ ม, มาเรียนวิชาที่ประเสริฐที่สุดในโลกฉะนั้นทุกใครที่มาลงท่าเรียนเรียนแล้วก็ขอให้มาในครั้งต่อๆไปเรื่อยๆนะ <S <S แล้วชีวิตของเราก็จะดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นถือหลักอยู่หลัหนึ่งนะว่าถ้าเรามาเรียนพัฒนากนรรมฐานแล้วเนะี่ยจะจะรู้ว่าพัฒนาไหมหนึ่งเวลากระทบ เราทันมันสองเวลากิเลสมันโผล่ขึ้นมาเราเห็นมันก่อนสามเราเป็นคนที่บริหารจัดการอารมณ์ได้ดีขึ้นจะเลือกระเบิดติดตอนไหนก็ได้จะลือกโผล่ตอนไหนก็ได้เพราะเราเป็นฝ่ายจัดการมันไม่ใช่ให้มันมาจัดการเราสี่เราจะเป็นดอกไม้ที่แย้มบานอยู่เสมอเชื่อไหมฮะจิต มันจะยี้มันจะหัวเราะมาจากข้างในแล้วมันทําให้เรากลายเป็นมนุษย์พันไม่เครียดจากเป็นนะี้มันจะเป็นมนุษย์พันไม่เครียดน่ะนี่คือคือปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นหลังจากที่เรามาเรียนมิตัสนากรรมาฐานไ้น้อยอย่างนี้เราจะกลายเป็นพุทธทน้น้อยเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นทพิ่ขึ้ น, นแต่ถ้ามาเป็นปีแล้วยิ่งมายิ่งเครียด ยิ่งหวีทุกแล้วก็ยิ่งเป็นทุกข์แสดงว่ามันต้องมีขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งที่ติดพลาด น, น, นะกลับไปถามใจนะบางคนมาเรื่องก่อตั้งในเรื่องนี้ลดทุกข์ลดลงไหมเพิ่มถ้าแบบนี้นสดงว่าไม่พัน้นานะะฉะนั้นทุกท่านลองพิิพจารณาดูนะว่าเรามาเรียนวิชาเติมรู้ดูใจหรือจิตเลิกตาห่งสันติที่พูดมาทั้งบนดน่ะก้าวหน้าขึ้นไหม เอาเกณฑ์ที่ธรรมชาพิพูดไปเมื่อกี้ไปวัดตัวเอเรื่อยๆฝึกดูเข็มไม้หัวใจของตัวเองเวลาปฏิสัมพันธ์กับอารมณ์ทางตาหัวจมูนลิ้นกจแล้วแล้วมันกระเดกมากกระเดกน้อยถ้ามันยังแกว่งมากๆอยู่ยนี้ทุกครั้งยังไปไม่ถึงไหนอาจจะอยู่ปากซอยแถวนี้เองถ้าถูกดาแล้วครั้งแรกเจดวันครั้งที่สองห้าวันครั้งที่สามสามวันครั้งที่ครั้งที่สี่หนึ่งวันครั้งล่าสุดด่าปุ๊บตัดปับ๊บใช้ได้ละ ต้องขึ้นมาขั้นนี้นะแล้วก้าวขึ้นไปก็คือพอกระทบปุ๊บพังเราเองโดยที่ไม่ต้องไปตั้งใจต่อตามสติทา ง, งานโดยตัอนอมันนั่นถึงขั้นเสอรตีครับมีใครถึงขั้นนี้ไหมถ้าถึงขั้นนี้แล้วสบายแล้วนะชีวิตนี้นะสิทธิ์ที่จะไม่ทุกข์คุณได้ใช้แล้วคนที่จะเป็นผู้รู้ตื่นเบิกบาน ในพัะศนะของพุทธศาสนาไม่จาเป็นต้องหน้าตาดีไม่จาเป็นต้องการศึกษาสูงไม่จาเป็นต้องเป็นคนรวยไม่จาเป็นต้องเป็นสาพุทธขอแค่เป็นคนก็เป็นได้แล้วฉะนั้นทุกคนมีสิทธนะอย่าลืมใช้สิทธิตัวนี้นะอาตมาคิดว่าได้ใช้เวลามาพอสมควรนะวันนี้มาพูดถึงแบบนาให้ฟังถ้าอยากได้เล็กกว่า น, นี้ก็คงครั้งต่อไปเนาะ ะวันวันนี้ก็มากล่าวบทนำให้ฟังเฉยๆรอแต่ว่าถ้าไม่มนก็มาถ้าไม่ไม่มนก็ไม่มาอ <c oughs> าตมาภาพแวะมาประชมุมแล้วก็แวะมาเยี่ยมชมชมรมคนรู้ใจก็ถือโอกาสมากล่าวธรรมะบรรยายให้กำลังใจกับทุกท่านทุกคนก็หวังว่าสิ่งล้านพันละน้อยที่นำมาพูดในวันนี้คงจะมีประโยชน์อยู่บ้าง หากมีคนงามความดีก็ขอให้คุณงามความดีทั้งปวงนี้ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผู้เป็นที่รักยิ่งของเราหากมีตรงไหนที่พูดไปแล้วเป็นความผิดความพลาดอาตมา ก, ก็ทิ้งไว้ที่นี่นะอาตมาก็ไม่เอามงงไก่นะก็หวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าทุกท่านทุกคนจะมีความเจริญก้าวหน้า <S <S ในวิชาชีพในวิชาชีวิต โดยทั่วกันทุกท่านทุกคนท่าน